วันนี้เป็นวันศุกร์ที่8ดพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพห้าเป็นวันพระวันธรรมสวนะัสวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันชำระสักพอกจิตใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะตลอดระยะเวลาหกวันที่ผ่านมาหกวันเจ็ดวันที่ผ่านมาสัทธายาโยมก็ต้องไปทำพาระทางโลก<ม>ไปหาลาบยศสละเสริญสุข<ม>เพื่อมาทำรูปบารุงชีวิต ก็คือร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่อัตคัดขัดสนไม่ลำบากลำบนแต่การไปหาทรัพย์ทางโลกคือลาบยศ ส, สรรสนสุขนี้ก็อาจจะทำไปด้วยอำนาจของความหลงความอยากความโลภต่างๆ ที่เป็นเครื่องเศร้ามองเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองที่จะทำให้จิตใจเกิดความเศร้ามองขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ธรรมฝกุศลผู้ปรารถนา การหลุดพ้นจากความทุกข์จากอำนาจของกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายให้ได้เข้ามาวัดกันหรือให้หยุดทำงานกันหนึ่งวันเพื่อที่จะได้มีเวลามาวัดหรืออยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าที่บ้านเป็นที่สงบที่สามารถที่จะซัก้อ ชำระทำความสะอาดให้แก่จิตใจได้เครื่องสักลอกจิตใจนี้ก็คือการปฏิบัติจิตตภาวนาการบำเพ็ญจิตตภาวนาคือมีสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาทำใจให้สงบให้สุขให้สบาย ใหนงนงระับความโลภความโกรธความหลงไว้ได้ชั่วคราวแล้วก็หลังจากที่สามารถเจริญสมถะภาวนาได้อย่างชํานาญแล้วก็ไปเจริญขั้นที่สองของการภาวนาก็คือวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาเพื่อให้เห็น รู้ถึงเหตุของความทุกข์ต่างๆว่าเกิดจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองนี่เองละเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่กิเลสตัณหามีความชื่นชมยินดีมีความอยากได้รวนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงรวนไม่ได้เป็นของของใคร เป็นของธรรมชาติที่ไม่มีใครจะสามารถควบคุมบังคับให้เป็นของของตนได้ไปตลอดไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดพากจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไปถ้าไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นของเราไปตลอดอยู่กับเราไปตลอด ก็จะต้องเจอกับความทุกข์ใจไม่สบายใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยมเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดานี่คือการบำเพ็ญจิตตภาวนาที่แบ่งไว้เป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกสมถะภาวนา ทำใจให้สงบด้วยการจเจริญสติก่อนถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดได้จิตก็จะสงบเนื่งได้ชั่วคราวชั่วขณะที่มีสติคอยควบคุมเอาไว้แต่พอถอนออกจากสมาธิมาปล่อยให้จิตเริ่มคิดปรุงแต่งเมื่อไหร่ โอกาสที่จะคิดไปทางของกิเลสตัณหาก็จะมีมากก็จะไปในทางนั้นพอไปคิดทางกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆก็ทำให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาให้แก่จิตใจดังนั้นจึงต้องใช้สติในเบื้องต้นก่อน ถึงแม้ว่าจะเข้าสมาธิได้แล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ยังไม่ควรที่จะไปทางปัญญาถ้าสติของเรายังไม่สามารถควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเราก็ควรที่จะเจริญสติต่อไปก่อนให้สติเป็นสัมปะชัญญาคือไม่พังไม่เผลอไม่ลืม ให้อยู่ในปัจจุบันสักแต่ว่ารู้ควบคุมความคิดต่างๆไว้<ม>พอมีความชำนาญแล้วมีสติสัมปชัญญะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้ว<ม>ถึงต้องถึงค่อยไปเจริญทางปัญญาคือวิปัสสนาภาวนาเวลาออกจากสมาธิมา มีสติคอยควบคุมควบคู่กับการใช้ปัญญาเพราะสตินี้จะคุมความคิดคุมความรู้ความโกรธความหลงได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่สามารถที่จะถอนรากถอนโคนกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้จำเป็นที่จะต้องใช้การเจริญปัญญา การพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นจลายลักษ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่นั้นถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วก็ความอยากมันก็จะหดตัวเข้ามาเพราะไม่มีใครต้องการความทุกข์ทุกคนต้องการความสุขกันกิเลสต้องการความสุขกันแต่ความหลงไม่สามารถไปทำให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดความโลภความอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วพอได้มาแล้วก็จะเกิดความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเวลาสิ่งที่ได้มานั้นดับไปหรือเปลี่ยนไปความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา นี่คือปัญญาคือการพิจารณาตายรักของสภาวธรรมทั้งบวงมไม่ว่าจะเป็นราบยศสรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆล้วนเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่ถาวรไม่นิ่งมีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆ ชเช่นเสียงที่เราได้ยินนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงรถบ้างได้ยินเสียงคำพูดของคนบ้างได้ยินเสียงนินทาบ้างได้ยินเสียงสรรเสรรญบ้างเป็นเสียงที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะไปกำหนดให้ได้ยินแต่เสียงที่สรรเสรรญอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอยู่ มันไม่ได้เป็นอำนาจของเราที่จะไปควบคุมบังคับเสียงได้เพราะมันเป็นของธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เสียงเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อเหตุปัจจัยนั้นหมดไปเสียงนั้นก็หายไปถ้าเป็นโลกไปอยากให้ได้เสียงที่ดีเช่นเสียงสรรเสริญ เวลาไม่ได้ยินเสียงสารเสริญก็จะเสียใจไม่สบายใจยนี่คือลาบยศสารเสริญสุขที่ไม่เที่ยงเป็นโลกกธรรมลาบก็คือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ได้มานี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้มาอยู่เรื่อยๆเพราะนเอาเวลาได้มาแล้วก็ต้องเอาไปใช้จ่ายกันถ้าใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวัง ไม่มีการควบคุมบังคับความอยากใช้ใจ่ายเงินทองไม่ช้าก็เร็วเงินทองก็อาจจะไม่พอใช้ก็ได้พอเงินทองไม่พอใช้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา น, นี่คือความเสื่อมของลาบไม่ใช่ว่าได้มาแล้วจะรักษาลาบรักษาทรัพย์ให้อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ในระดับเดียวหรือเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับ พอเมื่อมีทรัพย์ก็ต้องเอาอไปใช้กัน mm hmm. พอใช้แล้วมันก็ติดอยากจะใช้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. พอใช้มากขึ้นมากขึ้นไม่มีความไม่มีสติ mm hmm. ไม่มีปัญญาคอยควบคุมห้ามความอยากที่จะใช้ทรัพย์ mm hmm. เดี๋ยวทรัพย์ก็ไม่พอใช้ทรัพย mm ์ hmm. ไม่พอใช้ก็แสดงว่าทรัพย์ได้เสื่อมแนละ้วการจเจริญทรัพย์ก็คือเวลาได้มา การเสื่อมของทรัพย์ก็คือเวลามันจากเราไปเวลาได้มามันก็สุขเวลาสัเจริญในทรัพย์ก็สุขแต่เวลาเสื่อมในทรัพย์ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทรัพย์ไม่ได้ให้แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวทรัพย์ให้ทั้งสองอย่างให้ทั้งสุขและให้ทั้งทุกข์สลับกันไปสลับกันมาตามภาวะโอกาสต่างๆตามเหตุตามปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ทรัพย์เจริญหรือทําให้ทรัพย์เสื่อมลงไปผู้ที่ไปแสวงหาความสุขจากการมีทรัพย์ก็จะต้องเจอกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วอย่างน้อยก็ต้องเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการแสวงหาเพราะการจะหาทรัพย์ในแต่ละครั้งมันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายๆของที่ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรใช้สติใช้ปัญญา ซึ่งการแสวงหานี้ก็มันก็เป็นความทุกข์อยู่อย่างหนึ่งอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขต้องไปเนล่นโนนหาทรัพย์หาอะไรมาอยู่เรื่อยๆพอรู้ว่าถ้าไม่หาเดี๋ยวมันไม่มาแล้วก็จะเดือดร้อนนั่นเองอันนี้คือการการไปยึดไปติดไปใช้ทรัพย์เป็นเครื่องมือในการ ให้ความสุขกับใจก็จะต้องเจอกับความทุกข์ถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ก็ต้องหาวิธีอยู่แบบไม่ต้องใช้ทรัพย์ อ, อย่างพวกนักบวชนี่เขาเปลี่ยนวิธีเขาไม่ใช้ทรัพย์เขาใช้การขอทานเป็นเป็นการใช้แทนทรัพย์คือ ขอหรือหาสิ่งเท่าที่จาเป็นเท่านั้นเองเช่<ม>นบิณฑบาตขออาหารได้มากได้น้อยก็ยินดีตามมีตามเกิดพอให้ดับความหิวของร่างกายไปได้วันวันหนึ่งก็พอแล้วมไม่ต้องใช้ทรัพย์ถ้าเป็นนักบวชเพราะว่านักบวชจะไม่ต้องการใช้ทรัพย์เป็นเครื่องมือในการหาความสุข นักบวชนี้จะใช้การภาวนาการนำเพนจิตตะภาวนาคือสมถภ า, าวนาวิปั ส, สนาภาวนาเป็นเครื่องมือในการให้ความสุขกรใจของตนจึงไม่ต้องไปหาทรัพย์กันเช่นเดียวกับยศก็คือยศตำแหน่งต่างๆตำแหน่ง สูงต่ำเนี่ยเป็นในสิบในร้อยในพันในพนเป็นนายกเป็นอะไรต่างๆยศก็เป็นของที่เจริญได้ก็เสื่อมได้ไม่ช้า ก, ก็เร็วได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวยศนั้นก็จะเปลี่ยนไปหมดไปเวลาเจริญก็ให้ความสุขแต่พอเวลาเกิดการเสือ่อมขึ้นมา ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเศร้าเศร้าใจขึ้นมา mm. ถ้าไปหวังหาความสุขจากยศ mm. ก็จะต้องเจอกับความทุกข์เมื่อช้ากันเร็วเวลาที่ยศเสื่อมลง mm. เวลาที่จเจริญในยศก็มีความสุขกันเวลาเวลาที่ได้รับตาแหน่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนั่น mm. เป็นนี่ขึ้นมา mm. ก็เกิดความสุขกัน พอเวลาถูกปลดออกจากตําแหน่งต่างๆเวลานั้นก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าใจตามมาดังนั้นการใช้ยศเพื่อมาดับความทุกข์ใช้ยศเพื่อมาให้ความสุขกับใจจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะใช้ยศมาให้ความสุขอย่างเดียวแล้วดับดับความทุกข์ป้อง ก, กันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นนี้ มันเป็นไปไม่ได้ยศนี้เวลาได้ก็สุขอต่ไม่ช้าก็เลยเวลามันเสื่อมมันก็จะทำให้ทุกข์ได้ น, นี้นนต้องพิจารณาให้เห็นลาบยศเช่นเดียวกับสรรเส ร, ริญการยกย่องเยินย อ, อนนก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะได้ยินแต่เสียงสรรเสริญ วันวนี้กันดีก็อาจจะมีเสียงข้รหานินทาตามมาก็ได้เสืส่อมราบเสืมมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันเป็นเป็นโลกกรรมมีเจริญสรรเสริญก็มีการเสื่อมสรรเสริญก็คือมีการเจริญนินทาแทนมีสรรเสริญก็มีนินทาตามมาเพราะ เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไปมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เขายกย่องสรรเสริญเขาก็จะยกย่องสรรเสริญเพราะมีเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปจากการยกย่องสรรเสริญก็กลายเป็นการตําหนิติเตียนฆ่าลหานินทาอเพราะเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถ้าไปหวังหาความสุขจากสรรเสริญ ก็จะต้องเสียใจเวลาที่เจอกับคำขคอละหานินทาต่างๆเพระ mm. าะฉะไม่ควรที่จะหาสารเสริมไม่ควรที่จะหายดไม่ควรที่จะหาลาบ mm. ถ้า mm. ต้องการจะกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจวิธีการหาลาบยศสารเสริม น, นี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆ ที่มีในใจนี้หมดไปอาจจะได้ความสุขมาชั่วเวลาที่ได้มาแต่มันไม่ยั่งยืนความสุขที่ได้จากราบยศเสริญมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเพราะไม่ช้าก็เร็วราบยศเสริญก็จะเปลี่ยนไปจากการเจริญก็จะกลายเป็นการเสรื่อมไปพอเกิดการเสรื่อมก็จะเกิดความเศร้าใจทุกข์ใจตามมาเช่นเดียวกับ ความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชชนิดต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆในแต่ละวันเราจะเสบสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชชนิดต่างๆซึ่งที่ที่เราควบคุมได้ก็มีที่เราควบคุมไม่ได้ก็มีพอเราไปไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราควบคุมไม่ได้ ที่มันให้ความทุกข์กับเราความสุขที่ได้จากการเสกรูปเสียงเกิดนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้เช่นที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเสียงเรื่องสรรเสริญยินย อ, อ ก, กับเรื่องนินทาน ม, มันเป็นสิ่งที่เป็นเสียงเป็นความสุขทางทางหูเวลาได้ยินเสียงสรรเสริญก็เกิดความสุขใจขึ้นมา เวลาได้ยินเสียงข้อรหานินทาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเสียงนี้เราก็ไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันมีแต่เสียงสรรเสริญเพียงอย่างเดียวไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามมีอำนาจบาดใหญ่มากน้อยเพียงไรก็ตามก็ไม่สามารถไปควบคุมบังคับเสียงให้มีแต่เสียงสรรเสริญเยินยอเพียงอย่างเดียวมันต้องมี เสียงนินทาเขาละหานินทาอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะได้ยินหรือไม่เท่านั้นเอง uh huh. แต่มันต้องมีมีคนที่รักก็มีคนที่รักเราก็มีคนที่ไม่ชอบเราก็มีคนที่ไม่ชอบเราเขาก็ไม่สรารเสรินเขาก็จะเข้าละหานินทา uh huh. นี่คือโลกของความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัะความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัณฑ์นี้ไม่สามารถที่จะทําให้ใจสุขไปได้ตลอดเพราะว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรเป็นของชั่วคราวพอมันเสื่อมไปหมดไปแล้วมันเปลี่ยนเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์ขึ้นมามันก็จะทําให้ใจทุกข์ทาให้ใจเศร้าได้นี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรา สงหลที่เราไปคิดว่ามันเป็นความสุขนั้นถ้ามองลึกๆแล้วมันจะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นถ้ามองเห็นอนิจจังไม่เที่ยงมองเห็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ mm hmm. แล้วถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้เราให้เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับสั่งได้พอเราทำไม่ได้มันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเอง mm hmm. นี่คือ การใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ใจไปหลงไปชอบไปอยากได้มีตัณหาความอยากได้ขึ้นมาพอมีความตัณหาความอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามนทุกตั้งแต่เริ่มอยากพอเริ่มอยากใจก็เริ่มกังวลกังวายแล้วพอได้มามมก็ดีใจไประยะหนึ่ง แลเดี๋ยวสิ่งที่ได้มามันก็เสื่อมไปหมดไปหรือหมดความหมายไปมันก็ทำให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาเกิดความทุกข์เวลาสูญเสียไปเสื่อมไปก็ต้องมีความอยากหาหาห า, หาอย่างอื่นมาแทานอยู่เรื่อยๆชีวิตก็จะต้องไปกับความอยากไปเรื่อยๆมีความอยากแต่ละครั้งใจก็ไม่สงบใจก็ไม่นิ่ง ใจก็วุ่นวายใจก็หิวได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอนะเพราะความอยากนี้มันไม่ได้อิ่มจากการได้สิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการยิ่งอยากยิ่งได้มากยิ่งอยากมากขึ้นไปอีกได้นะคือก็อยากจะได้ศองได้ศนะอกก็อยากจะได้วานะนี่คือธรรมชาติของความอยาก ถ้าไปทําตามความอยากแล้วความอยากจ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยความอยากความต้องการจะมากขึ้นวิธีที่จะต้องทําให้ความอยากหมดสิ้นไปก็คือวิธีฝืนความอยากไม่ทําตามความอยากใ น, นการที่จะฝืนก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตานั่นเองอันนี้ก็ ต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้ส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นที่อยากได้ราบยศสารเสรินสุขนะพอได้แล้วก็มาอยากได้ร่างกายให้ร่างกายที่มีอยู่นี้แข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานแต่ร่างกายธรรมชาติของร่างกายมันก็ไม่ได้เป็นไปตามความอยากความต้องการของกิเลสตัณหา เพราะร่างกายโดยธรรมชาติของมันก็มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเหมือนกับราบยศทรสุขร่างกายช่วงที่เกิดมาใหม่ๆมันก็มีแต่เจริญร่างกายก็เจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ อ, ออกจากท้องแม่มาก็เริ่มเติบโตจากทารกก็เป็นเด็กเล็กจากเด็กเล็กก็เป็นเด็กโตจากเด็กโตก็เป็นผู้ใหญ่แล้วพอเจริญเต็มที่ของมันแล้วมันก็จะ ไม่สามารถเจริญต่อไปได้แนละ้วร่างกายที่เคยเจริญเติบโตยโ ต, ว, ต ว, วันโตคืนมีกําลังวังชามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะเริ่มเสื่อมลงพอพอชีวิตไปอยู่ขึ้นไปถึงครึ่งทางความเจริญก็จะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นก็จะเริ่มนับถอยหลังความเสื่อมของร่างกายก็จะค่อยๆค่อยๆเกิดขึ้นความชราก็ ค่อยๆปรากฏขึ้นเท่าเล็กเท่น้อยหลังจากอายุผ่านไปห้าสิบเล้่อนี้มันก็จะเริ่มเริ่มมีการเสื่อมมากกว่ามีการเจริญร่างกายก็จะแก่ลงไปแล้วก็ตามเมื่อร่างกายแก่อวัยวะต่างๆในร่างกายก็เริ่มบกพร่องเริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยครับ กับอวัยวะต่างๆที่ต้องใช้งานมาตลอดเวลาหลายสิบปีด้วยกันปอดก็ต้องเสื่อมหัวใจก็ต้องเสื่อมตับไตก็ต้องเสื่อมหูตาจมูกก็ต้องเสื่อมตามการตามเวลาถ้าไปอยากให้น่่งกายไม่เสื่อมไม่ไม่แก่ถ้าอยากให้น่่งกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าอยากให้ร่างกายไม่ตาย มันก็จะต้องมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ทางใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองไม่ใช่เกิดจากความแก่ของร่างกายของไม่ได้เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่ได้เกิดจากความตายของร่างกายที่ทำให้ใจทุกข์ใจทุกข์เพราะความอยากอันในอริยสัจสี่ที่พุะเจ้าทรงคนพบความจริงว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้ ถึงแม้มันจะเป็นทุกข์แต่มันไม่ได้ทําให้ใจทุกข์สิ่งที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือตัณหาความอยากอยากให้ไม่แก่อยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆเรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็คืออยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆวิภาวะตัณหาก็คืออยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งมันก็ขัดหลักความเป็นจริง เพราะว่าร่างกายนี้มันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของใครทั้งนั้นเวลามันจะเจริญมันก็จเจริญไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเวลาที่มันจะเสื่อมมันก็เสื่อมไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเช่นเดียวกันแต่ถ้าคนไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่เสื่อมไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายคนคนนั้นใจของเขาก็จะไม่ทุกข์อยู่กับความ แต่ความเจ็บความตายของร่างกายไปใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากการที่จะทำให้ไม่มีความอยากก็ต้องมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตายลากเช่นเดียวกันเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดามเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตน ม, มันเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติเหมือนกับดินฟ้าอากาศ ที่ไม่มีตัวตนในดินฟ้าอากาศชั้นใดในร่างกายก็ไม่มีตัวตนเช่นเดียวกันในร่างกายก็มีแค่อาการสามสิบสองที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่ร่างกายคอยเติมอยู่เรื่อยๆเยช่นธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกธาตุน้ำก็คือของเหลวต่างๆที่ดื่มเข้าไปในร่างกาย ธาตุดินก็คือของแข็งเช่นอาหารข้าวผักเนื้อเป็นต้นเอาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นธาตุดินธาตุไฟก็คือความร้อนของร่างกายที่ได้รับจากความร้อนจากของดวงอาทิตย์พอมีธาตุสี่บริบูรณ์ธาตุสีนี้ก็จะมาผสมปรุงแต่งให้ อวัยวะต่างๆจเจริญเติบโตขึ้นมาทาให้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อแอ็กระดูกนี้จเจริญเติบโตขึ้นมาในช่วงที่อยู่ในวัยที่จะเ จ, เจริญแต่เมื่อถึงวัยที่มันไม่สามารถเจริญได้แล้วก็มีไว้เพื่อประครับประคองไม่ให้เสื่อมไม่ให้เสื่อมเร็วกว่าธรรมชาติเถ้าถ้าไม่มีดินน้ำํำลมไฟมาคอย คอยสนับสนุนนี่สิ่งนี่จะเกิดขึ้นก็คือความตายของร่างกายหรือถ้ายังไม่ถึงความตายก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปร่างกายก็จะเริ่มสแสดงอาการบกพร่องสแสดงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาร่างกายนี้ถ้าขาด ถ้าขาดธาตุดินคืออาหารมันก็มันจะบกพ้องช้าหน่อยมันจะมันจะมีปัญหาก่อยขึ้นช้าหน่อยคืออยู่อยู่ได้นานได้นานหน่อยอดข้าวอดอาหารนี่อยู่ได้หลายวันอยู่ได้นานกว่าการอดน้ําถ้าขาดธาตุน้ำเมื่อไหร่ก็จะตายเร็วกว่า ก, า, การอดธาตุดินคืออาหารการ อ, อดธาตุ ท่าน้ำก็ยังอยู่นานกว่าการอดท่านลมพอไม่มีลมหายใจนี่เพียงไม่กี่วินาทีก็ร่างกายก็ตายได้ทันทีสาเหตุที่ร่างกายยังอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีการเติมท่านดินท่านน้ำท่านลมท่านไฟอยู่อย่างสม่าเสมอนั่นเองก็เลยทำให้ร่างกายนี้ที่ถ้ายังอยู่ในขั้นเจริญก็เจริญเติบโตไปตามลำดับ แต่ถ้าอยู่ในขั้นเสื่อมก็จะประครับประคองให้เสื่อมให้เนะให้ช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามตามธรรมชาติของร่างกายแต่ไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็จะต้องถึงจุดสส้นสุดลง mm hmm. เมื่อไม่สามารถเอาธาตุลมเข้าไปเติมในร่างกายได้ mm hmm. ไม่มีธาตุลมอวัยวะที่ทำงานที่ต้องอาสายธาตุลมเป็น เป็นเครื่องอยู่ก็จะต้องหยุดทำงานไปพอขาดลมหายใจปอดก็หยุดทำงานหัวใจก็หยุดทำงานแล้วก็ตามมาด้วยอวัยวะต่ า, างๆก็ต้องหยุดตามไปหมดพอร่างกายหยุดปับ๊บถ้าทั้งสี่ที่มารวมกันอยู่ในร่างกายนี้ก็จะแยกตัวกันออกไปพอไม่มีลมหายใจแล้วลมไม่เข้าแล้วก็มีแต่ลมออกไประเหยออกไปตาม ตามทวารต่างๆน้ำช่องต่างๆของร่างกายแล้วก็ถ้าทิ้งไว้ไปต่อไปธาตุน้ำก็จะแยกออกมาจากจากร่างกายก่อนที่ธาตุน้ำจะออกไปก็คือธาตุไฟก็จะออกไปก่อนธาตุไฟนี้จะออกตามธาตุลมไปร่างกายที่มีความรู้สึกอบอุ่นมีอุณหภูมิก็จะกลายเป็นร่างกายที่เย็นเฉียบไป ใครเคยสัมผัสร่างกายของคนตายจะรู้ว่าความเย็นของร่างกายของคนตายกับของของคนมีชีวิตอยู่นี่ต่างกันคนที่มีชีวิตอยู่ น, นี่จะมีความร้อนมากกว่าความความร้อนข้างในร่างกายของคนคนตายร่างกายของคนตายนี้ไม่มีความร้อนเหนือนอยู่เลยแสดงว่าธาตุไฟได้เอาแยกออกจากร่างกายนี้ไปแล้วก็เหลืออยู่สองส่วนที่ยังยังอยู่ด้วยกันอยู่ก็คือธาตุน้ํา กับธาตุดินคือของเหลวกับของแข็งต่อไปถ้าทิ้งไว้ไปของเหลวมันก็จะแยกออกมาตามทวารต่างๆจนกระทัง่ ง, งในที่สุดร่างกายก็จะแห้งกรอบอวัยวะต่างๆก็จะแห้งกรอบไปหมดเหลือแต่ธาตุดินแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆไปเรื่อยๆอวัยวะต่างๆที่แห้งกรอบก็จะค่อยผุพังไปกลายเป็นดินในในที่สุด น, นี่ก็คือธรรมชาติของร่างกายที่ไม่เที่ยงที่ไม่มีตัวตนที่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปอยากถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์กับการมีร่างกายกับการสูญเสียร่างกายเราต้องเห็นความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นของที่เรามีไว้ใช้ได้ชั่วคราวเหมือนเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุด ถ้าเกิดตันหาความอยากเึ้นมอยากให้ร่างกายอยู่เป็นงานมันก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้พออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากใจก็จะทุกข์ขึ้นมาอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมามแต่ถ้า<ม><ม>เห็นความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลามันแก่ก็ไม่ไม่ได้มีความอยากให้มันไม่แก่ ก็จะไม่ทุกข์เวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เกิดความตายขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์ใจสามารถผ่านความแก่ความเจ็บความตายอย่างสงบอย่างไม่มีความทุกข์ได้ถ้าหยุดความอยากของใจได้ เพราะในอริยสัจสี 4, ท่านก็นแสดงไว้แล้วว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์เกิดจากสมุรทรัยคือความอยากอยากใช้ร่างกายเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสถ้ายังมีความอยากเสพรูปเสียงกดลิ่นรสอยู่ก็อยากจะมีร่างกายอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆพอร่างกายไม่สามารถอยู่ไปนานๆไม่สามารถเก็บร่างกายไว้เป็นเครื่องมือไว้ใช้ได้ ก็จะเกิดความทุกใจขึ้นมานี่คือการใช้ปัญญาในการาระงับความอยากที่ใจไปอยากในสิ่งต่างๆอยากในลาบยศฉลสริญสุขก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นไตละวลาบยสศสฉลสนุขเป็นทุกข์ทุกข์พ่อไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันมีมันไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปสั่งให้มันเที่ยงอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดอเช่นเดียวกับร่างกายมันก็ไม่เที่ยง แล้วเช่นเดียวกับความรู้สึกที่เราต้องสัมผัสในแต่ละวันคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีความรู้สึกสุขขึ้นมาเดี๋ยวก็มีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวก็มีความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาถ้าไปอยากให้มันเวลามันสุขอยากให้มันสุขไปนานๆมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน มันสุกได้อยู่ในระยะหนึ่งเวลาหนึ่งเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปหมดไปกลายเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจเศร้าใจที่สูญเสียความสุขไปพอเจอความไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปอยากจะได้ความสุ ข, ขกลับมาใหม่ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วถ้าไปเจอความทุกข์แล้วไม่ต้องการให้มันโผล่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมาก็จะทําให้ใจทุกข์ขึ้นอีกะ แต่ถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติกับความรู้สึกเหล่านี้ก็คือรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นไตลักษ์เหมือนกันเวทนาเป็นไตลักษ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีอยู่สามแบบเปลี่ยนจากสุขไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์จากไม่สุขไม่ทุกข์เปลี่ยนไปเป็นทุกข์บ้างสลับกันไปมันเป็นภาวะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมัน สั่งให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้มีแต่สุขกเวทนาอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่มาทำให้เกิดสุขกเวทนาขึ้นมาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาเราควบคุมบังคับไม่ได้วิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกขกเวทนาก็คือเราอย่าไปอยากมันเทนั้นออยู่กับมันไปอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของเวทนา เวลาสุขก็ก็รู้ว่าสุขเวลาทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์รู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรอย่าไปมีความอยากเวลาสุขก็อย่าไปอยากให้มันอยู่ไปนานๆเวลาทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันหายไปเร็วๆเวลาไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเปลี่ยนไปเป็นสุขนี้มันก็จะทำให้ใจไม่ทุกข์ได้ถ้าใจรู้เฉยๆรู้ว่ามันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ใจไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามไปควบคุมบังคับได้ใจวิธีปฏิบัติกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรู้โดยที่ไม่ทําให้เกิดความทุกข์ก็คือให้รู้เฉยเฉยรู้ด้วยอุเบกขาอุเบกขาที่เกิดจากการเข้าสมาธินี่แหละที่นั่งสมาธิก็ส่วนหนึ่งก็คือต้องการได้อุเบกขาได้การวางเฉยนิ่งเฉยไม่มีปฏิจริยาตอบโต้กับสิ่งต่างๆ ถ้ามีอุเบขาก็จะระงับความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้เวลาเกิดความโลภความเกิดความหลงก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าปล่อยให้เกิดความโลภเกิดความหลงขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาเพราะจะสร้างความทุกข์ให้กับใจนี่คือสิ่งที่ใจจะต้องพิจารณาเพราะเป็นสิ่งที่ใจสัมผัสรับรู้เกี่ยวข้องด้วยรับยศนเสริญสุขร่างกาย ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เที่ยงแล้วก็เวทนาความรู้สึกก็ไม่เที่ยงแล้วอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ซึมเศร้าอารมณ์ผ่องใสมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยทาให้อารมณ์เหล่านี้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อย วิธีที่จะทำให้ใจไม่ไปทุกข์กับอารมณ์ต่างๆก็ก็ให้รู้เฉยๆรู้ด้วยอุเบกขารู้ว่าเป็นตายรักหรือว่าถ้าไปอยากให้เป็นให้มีแต่อารมณ์ดีพอเกิดทำไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา <Yeah. S 1> นี่แหละคือสิ่งที่ต้องใช้วิปัตนาคือปัญญาพิจารณาถึงจะหลุดถึงจะสามารถดับตันหาความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้เพราะใจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับราภยศสเสริญสุขเกี่ยวข้องกับร่างกายเกี่ยวข้องกับเวทนาเกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วก็ไปมีตัณหาความอยากกับสิ่งเหล่านี้พอมีมีตัณหาความอยากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะตามมาทันทีถ้า มีปัญญาให้รู้ว่าความวุ่นวายใจความทุกข์ต่างๆเกิดจากความอยากของใจเองที่ไปอยากที่ไปอยากในลาบยศฉลเสริญสุขอยากในร่างกายอยากในเวทนาอยากในธรรมอารมณ์อารมณ์ของจิต mm hmm. ที่ทำให้ใจเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะวุ่นวายใจก็อย่าไปอยากวิธีที่ ที่ทำใจให้ใจไม่อยากได้ก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขาถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีอุเบกขาก็ห้ามห้ามความอยากไม่ได้ความอยากมันไม่กลัวปัญญาเพียงอย่างเดียวความอยากมันกลัวอุเบกขาเพราะอุเบกขานี้เป็นตัวที่หยุดความอยากได้เวลาจิตมีสติควบคุมความคิดไม่คิดไปทางความอยากความอยากก็เกิดขึ้นมาไม่ได้และคิดไปในทางที่เห็นว่าถ้าทาตามความอยากแล้วจะนาความทุกข์มาให้ คิดเป็นทางปัญญามันก็จะสามารถทําให้ไม่กล้าคิดไปในทางความอยากได้หยุดความอยากได้อันนี้คือการเจริญการซักพอกจิตใจต้องมีสองส่วนนี้ถึงจะสามารถซักพอกจิตใจได้อย่างอย่างถาวรและการที่จะซักพอกทั้งกิเลสตัณหาคือซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธ ควาจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็ต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนไป mm hmm. คือในการภาวนาท่านก็สอนให้เจริญสมาถะ ก, ก่อนเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบเป็นอุบเบกขาก่อนเ mm hmm. พราะใจไม่นิ่งไม่มีอุบเบกขานี้ mm hmm. เวลาไปเจริญปัญญาก็ถึงแม้จะรู้ว่าปัญหาเป็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ใจ mm hmm. ก็จะไม่มีกําลังหยุดความอยากได้ ต้องมีอุเบกขาเป็นตัวที่จะให้กำลังใจให้กำลังกับกับใจที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้พอปัญญาสอนว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจต้องหยุดความอยากปัญญาสอนได้แค่นี้แต่ไม่สามารถทำให้ความอยากหยุดไปได้ถ้าใจไม่มีอุเบกขาถ้าใจยังมีความอยากกาลังมากกว่าอุเบกขาความอยากมันก็จะดึงใจให้ไปทาตามความอยากอยู่ดี ถึงต้องสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างอุเบกขาขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วถึงค่อยไปทางปัญญาต่อไปถึงจะสามารถซักพอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างยั่งยืนอย่างถาวรแต่ในเบื้องต้นเราก็ยังสามารถใช้สามาถะภาวนาในการหยุดความอยากได้ชั่วพักชั่วครัง้งชั่วคราว เวลาถ้าเรายังไม่มีปัญญายังไม่สามารถพิจารณาให้เห็นทุกอย่างว่าเป็นตายรักได้เวลาเกิดความทุกข์ใจก็ใช้สมสถะภาวานาคือการเจริญสติทำใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งสงบปัญหาความอยากที่ที่ใช้ความคิดเป็นตัวทำงานก็จะไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถแสดงตนออกมาได้ถ้าเรามีสติคอยคุ่ความคิดคอยหยุดความคิด ที่เวลาเราเกิดความโกรธใครขึ้นมาเราก็เพ่งแต่บาลีกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธหรือเรื่องที่ทําให้เราโกรธพอเราอยู่กับพุทโธไปสักระยะหนึ่งรเรื่องที่ทําให้เราโกรธมันก็จะหายไปจากใจพอมันหายไปจากใจความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากความโกรธก็จะหายไปในเวลาที่เราเจอความเจ็บปวดทางร่างกาย แล้วใจก็เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาถ้าเราอยากจะระรับความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการเจ็บปวดของร่างกายเราก็ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เช่นเดียวกันพยายามดึงใจอย่าให้ไปคิดถึงความเจ็บปวดของร่างกายเพราะว่าเพรว่าเวลาคิดถึงความเจ็บปวดของร่างกายแล้วอยากจะเกิดความอยากให้มันหายความอยากที่จะให้ความเจ็บปวดหายไปนี้แหละเป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ทรมานไม่ใช่ตัวตัวเจ็บ เจ็บปวดของร่างกายพอเราสามารถระงับความอยากให้ความเจ็บปวดของร่างกายนี้หายไปได้ใจไม่มีความอยากปล่อยให้ความเจ็บปวดอยู่ของมันไปตามธรรมชาติของมันใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะสงบใจก็จะเนิ่งเฉยได้ฉนะนั้นในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถใช้ปัญญาได้แล้วก็ใช้สติใช้สมาธิใช้อบเบขาไปพางๆก่อน จนกว่าเราจะมีความสามารถที่จะมองเห็นทุกส <ing> <y elim> <istas> ิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักได้เห็นว่าบุคคลที่ทำให้เราโกรธหรือสิ่งที่ทำให้เราโกรดนี้เราก็ควบคุมบังคับเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะทำร้ายเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดร้ายกับเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราสามารถทำให้ใจของเราไม่โกรธเขาได้เพราะเราเห็นว่าเขามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ เขาเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนแล้วการกระทำของเขาก็บางทีก็ดีบ้างบางทีก็ไม่ดีบ้างบางทีเขาก็พูดดีบางทีก็พูดไม่ดีบางทีเขาก็ทำดีบางทีก็ทำ้ายเมันเป็นอนิจจังบอกให้เห็นว่าเขาการกระทาของเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา <S S S S S S เราไปอยากให้เขาทำตามที่เราอยากพอไม่เป็นไปตามความอยากของเราเราก็จะทุกข์ใจ เขาไล้กับเราเราอยากจะให้เขาไม่ไล้กับเราเราก็จะทุกข์ใจขึ้นอันนี้เป็นการใช้ปัญญาควบคู่กับการใช้ใช้สมาธิใช้อุบเบกขาคือต้องเห็นว่าสิ่งที่ทําให้เราทุกข์นี้เป็นมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้แล้วก็ตัวที่ทําให้เราทุกข์จริงๆนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ก็คือใจคือความอยากของใจ อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้นเองแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความต้องการของเราได้เราก็ต้องยอมยอมรับความจริงะ <S <S เขาจะร้ายกับเราก็ปล่อยเขาไร้ายไปไเขาจะพูดร้ายก็ปล่อยให้เขาพูดไร้ายไปเพราะเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้อันนี้ใช้ปัญญาควบคู่ ก, กับการมีอุเบกขา ถ้าใจมีอุเบกขาแล้วพอปัญญาบอกให้ทําอะไรใจก็จะทําทตามปัญญาได้หยุดหยุดความอยากได้ถ้าใจพิจารณาด้วยปัญญาแล้วปัญญาบอกว่าตัวที่เป็นปัญหาก็คือความอยากอยากให้เขาดีกับเราอยากให้เขาไม่ร้ายกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเขาร้ายกับเราก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเฉยๆไม่มีความอยากให้เขาดีหรือดีกับเราหรือไม่ทําร้ายเราเวลาเขาทําอะไรเราก็จะไม่ทุกข์ <ừ. S 1> เราก็จะรับกับความ อันเป็นจริงได้ออันนี้ก็เป็นวิธีขั้นต้นก็ถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นยังพิจารณาตายรักไม่เป็นยังไม่ไม่สามารถมองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆไม่สามารถมองเห็นว่าเป็นสิ่ ง, งต่างๆนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ถ้ายังไม่มีปัญญาในระดับนั้นก็ใช้สติใช้สมาธิไปก่อน ขณะเกิดความทุกข์ใจกับเรื่องใดก็ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธก็หยุดความคิดถึงเรื่องนั้นพอเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องนั้นก็จะหายไปอย่างเช่นตอนนี้เรามานั่งที่นี่ฟังเทศฟังธรรมกันก่อนที่เรามานั่งนี่เราอาจจะมีความทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้กับ ส, สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอเราไม่ไปคิดถึงมันความอยากที่จะเกิดให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เกิด มันก็ความทุกข์ก็เลยไม่มี น, นี่คือวิธีดับความทุกข์แบบชั่วคราวดับด้วยการใช้สติทําใจให้นิ่งทําใจให้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวที่ทําให้ใจทุกข์พอเรื่องราวที่ทําให้ใจทุกข์หายไปความอยากที่จะทําให้ความอยากที่อยากจะให้เรื่องราวนั้นหายไปมันก็หายไปโดยอํนานาจของการไม่ไปคิดถึงมันนั่นเองแต่ก็เป็นการหยุดชั่วคราว เพาเดี๋ยวพอเราไม่พอเราไม่ได้ใช้สติหยุดความคิดพอเราไปคิดถึงเรื่องเก่าอกีกความทุกข์ก็จะกลับมาได้อกีกถ้าอยากจะให้ความความทุกข์ไม่กลับมาเลยก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี้เราควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากที่จะไปควบคุมบังคับเขาให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราเท่านั้นเอง เราก็หยุดความอยากแล้วต่อไปเราไปเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เคยทําให้ใจเราทุกข์เราใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะเฉยๆเพราะใจเราจะไม่มีความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเล้ว อ, อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ก็ mm hmm. จะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเท่านั้นเองใจจะไม่ทุกข์แท้ไม่มีความอยากในใจของตนเอง mm hmm. นี่คือขั้นปัญญาการเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมเป็นบางกับการทางธรรมชาติเป็นอนาัตตา หังที่ผู้เจ้าทรงตรัสว่าสัพเพธรรมะอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนร่างกายไม่มีตัวตนเวทนาไม่มีตัวตนอารมณ์ต่างๆในจิตก็ไม่มีตัวตนรับสมบัติข้าวของเงินทองก็ไม่มีตัวตนไม่เป็นของของใครไม่ใช่เป็นของใครของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสมบัติผัดกันชมได้มาไปอยู่กับมันไปเชื่อระยะหนึ่งพอร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราของเรามันตายไป รัสมบัติเข้าของเงินทองได้ที่ได้ผ่านทางร่างกายมันก็หมดตามสาภาพความสิ้นสุดของร่างกายไปทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ไปตลอดไม่มีใครอยู่คำฟ้าว่าร่างกายมันก็เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจ์นี่คือการใช้ปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วมันจะทาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่มีใครอยากจะทุกข์หรอก พอรู <unlucky>. <S <S <LGBTQ ン>้ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่แบบไม่มีดีกว่าพอไม่มีอะไรแล้วมันไม่ทุกข์พอมีอะไรแล้วมันจะทุกข์กับสิ่งที่มีทันทีตอนที่อยู่คนเดียวก็ไม่มีความทุกข์กับคนนั้นคนนี้พอไปมีสามีไปมีภรรยาก็ต้องไปทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาพอไปมีลูกก็ต้องไปทุกข์กับลูกพอมีหลานก็ต้องไปทุกข์กับหลานเมื่อก่อนไม่พอเวลาไม่มีทรัッ สมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่มีอะไรจะทุกข์พอมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องมาทุกกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไหนจะต้องรักษาไว้ไหนจะต้องเก็บไว้ให้ดีไหนจะต้องสูญเสียไม่ท้ากเ็เร็วมันต้องจ่ายความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตลอดเวลาพอไม่มีปั๊บนี้ความทุกข์มันก็ไม่มีเลยดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการการไม่มีอะไรการที่จะไม่มีอะไรได้ก็ต้องมี มีความสุขจากการที่เราสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบให้ปราศ จ, จากความอยากให้ได้ถ้าเราสามารถทำใจให้ปราศ จ, จากความอยากได้ใจเราจะมีความสุขไปเรื่อยๆอแล้วถ้ามีความอยากปรากฏขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาก็สอนใจอย่าไปอยากอยากเราจะทุกข์เราก็จะหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะสามารถอยู่แบบไม่มีอะไรก็ได้ ไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็ได้ไม่มีร่างกายก็ได้ไม่มีเวทนาไม่มีอารมณ์ให้มาเสพให้มาสัมผัสก็อยู่ได้ใจนี้สามารถอยู่ตามกำแพงของตนเองได้อยู่อย่างมีความสุขได้ถ้าไม่มีความอยากอ ย, กอ ย, กอยู่ในใจแต่ถ้ามีความอยากโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ความอยากนี้จะพาให้ใจไปทุกข์กับสิ่งต่างๆที่อยากได้เวลาเริ่มเวลาเกิดความอยากก็เริ่มมีความทุกข์ความวุ่นวายใจแล้ว แล้วพอได้มาก็ต้องทุกกับการดูแลรักษากแล้วก็เวลาสูญเสียไปก็ต้องมาทุกกับการสูญเสียอีกแต่ถ้ายอยู่กับความว่างอยู่กับการไม่มีอะไรเลยได้นี้มันก็จะไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจทุกข์ได้พระขีณาสพพระพุทธเจ้าพระลานตะสาวทั้งหลายท่านเห็นโทษของความอยาก โ, โทษของความอยากมีอยากเป็นอยาก ไ, ได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ พราเห็นว <ET. S 2> ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้นั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็เลยตัดความอยากต่างๆได้อยู่แบบปราจากความอยากได้ในที่อยู่ปราจากความอยากแทนที่จะมีความความทุกข์กลับมีความสุขเป็นบรมณ์มาสดเวลาไม่มีความอยากแล้วจะมีความสุขแต่ในสายตาของปุถุชนที่ยังอยู่กับความอยากอยู่จะมองเห็นว่าถ้าไม่มีความอยากเราจะอยู่ได้ไง ที่อยู่ทุกวันนี้เขาอยู่ได้ก็มีความอยากอยากได้ราบยศสารเสริญสุขก็จะได้ไปหามาพอได้ราบยศสารเสริญสุขแล้วก็จะได้ความสุขกัามันอันนี้ก็เป็นการมองแบบด้านเดียวไม่มองว่านอกจากความสุขที่ได้จากราบยศสารเสริญสุขแล้วมันมีความทุกข์ที่ซ่อนเล่นอยู่ที่จะตามมาที่จะโผล่ขึ้นมาไม่ช้าก็เร็วคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของราบยศสารเสริญสุขอันนี้ปุตุชนคนที่ไม่เจริญปัญญาจะมองไม่เห็น อยามองไม่เห็นตายรักในราบยศสรรเสริญสุขก็เลยคิดว่าต้องมีความอยากเราถึงจะเราถึงจะเจริญเราถึงจะมีความสุขถ้าเราไม่มีราบแล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเราไม่มียศเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเราไม่มีสรรเสริญเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้เสริมรูปเสียงกลิ่นรสทศถ้ะเราจะมีความสุขได้อย่างไรอันนี้เป็นความคิดแบบโมหะอวิชชาคิดด้านเดียวคิดในด้าน ในด้านในด้ า, น ด, า, น, านด้านบวกเขาเรียกขึ้ด้านบวกคือด้านของความสุขที่จะได้แต่ไม่ยอมมองมองในด้านลบของสิ่งที่ตามมาเพราะว่าของที่มันให้ความสุขกับเรานี้มันก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเราแบบยั่งยืนแบบถาวรตลอดกาลได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมหมดไปพอหมดไปความสุขที่ได้ก็หมดไปความทุกข์ความเศร้าก็เข้ามาแทนที่ทันทีอันนี้ก็จากการที่ ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญามองไม่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงนี่อยู่ที่การไม่มีอะไรการที่ไม่มีความอยากกับอะไรอันนี้แหละจะทําให้ใจมีความสุขเพราะเวลาไม่มีความอยากแล้วใจจะนิ่งใจจะสงบพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะเริ่มกระเพิ่มขึ้นมาทันทีเริ่มีการกระตือเรื่องเริ่มมีการวิตกกังวลแล้วมีการห่วงใยเริ่มมีอะไรต่างๆขึ้นมาทันทีแต่พอเวลา ระงับความอยากได้ใช่เวลาระงับความอยากด้วยการเข้าสมาธิไปพอจิตสงบความอยากหายไปชั่วคราวความสงบของใจก็ปรากฏขึ้นมาแต่มันเป็นการสงบแบบชั่วคราวทะนั้นพออจากสมาธิมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาได้อยู่ถ้าอยากให้ความอยากหายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความอยากเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับใจ และสิ่งที่อยากได้มันก็เป็นของที่ให้ความทุกข์กับใจไม่ว่าจะเป็นรากยศสารเสริญสุขไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆมันเป็นมันลดเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนมันไม่ถาวรมันไม่ได้ให้ความสุขเพียงอย่างเดียวมันมีสองด้านมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ จะไปเอาอย่างเดียวไม่ได้เช่นเหรียญเหรียญที่เหรียญเงินเหรียญที่เราใช้ใช้เป็นเหรียญสตางค์นี่มันก็มีสองสองด้านมีหัวกับมีก้อยจะเอาเหรียญที่มีด้านมีด้านเดียวไม่ได้มันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับก ah. ันไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับการแสดงผลถ้าไม่อยากจะมีทุกข์ก็อย่าอย่าไปหาสิ่งที่มัน เป็นสุขเพราะมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาสิ่งที่ให้ความสุขแบบถาวรแบบไม่มีความทุกข์ก็คือความว่างนี่พออยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีอะไรได้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาให้ความทุกข์กับใจอันนี้แหละคือการปฏิบัติการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราต้องชำระด้วยการปฏิบัติจิจตภาวนาเท่านั้นเองการทาทานรักษาสีนี้เป็น เพียการเป็นการตัดกำลังของกิเลสตัณหาให้เบาบางลงทำทางก็ลดความโลภความอยากให้น้อยลงได้รักษาศีลก็กำจัดหรือลดความอยากต่างๆอย่ากในรูปเสียงกลิก่นลดอยากจะทำบาปอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยการทำบาปมันก็จะลดความอยากเหล่านี้ได้แต่มันจะไม่สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรได้ ก็เป็นส่วนสําคัญของการปฏิบัติเพราะก่อนที่เราจะใช้การภาวนาเพื่อมากําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจเราก็ต้องทําให้มันเบาบางลงไปก่อนตัดกําลังมันลงไว้ก่อนเหมือนกับเวลาที่เขาจะตัดต้นไม้นี้บางทีเขาจะต้องไปตัดกิ่งไม้ออกก่อนกิ่งไม้มันอาจจะไปพัวพันกับกิ่งต้นไม้อื่นถ้าอจาไปตัดที่ต้นเลยมันจะไม่ล้มตัดแล้วมันต้นมันจะไม่ล้ม เพราะว่ายังมีกิ่งก้านสาขาของต้นไม้นี่มันไปไ ป, ไปผ่านกับต้นนั้นไปผ่านกับต้นนี้อยู่ก็ต้องขึ้นไปตัดกิ่งก้านก่อนตัดกาลังของต้นไม้ที่ปที่จะเกี่ยวให้ต้นไม้ตั้งอยู่ยืนอยู่ได้พอตัดสิ่งที่มันไปผูกพันกันแล้วแล้วค่อยมาตัดตัวที่โคนโคนต้นต้นไม้มันก็ล้มลงมาแต่ต้นไม้ล้มลง ย, ยังมันก็ยังไม่ตายเพราะรากมันยังมีอยู่ ก็ต้องถอนรากถอนโคนการตัดต้นไม้นี้ก็เป็นเหมือนกับการใช้ใช้สมาธิการถอนรากถอนโคนถอนรากของต้นไม้ก็คือการใช้ปัญญาใช้วิปัสสนาภาวนาการทําบุญทําทานการรักษาสิ่ก็เป็นเป็นการไปตัดกิ่งก้านสาขาของของต้นไม้เพื่อไม่ให้มันไปพลานกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้นนั้นต้นนี้ซึ่งอาจจะทําให้มันถึงแม้จะตัดต้นนะมันจะไม่ล้มลงมาอันนี้ คือขั้นตอนของการทำละใจโยสาคัญก็คือการภาวนาแต่ต้องมีการสนับสนุนด้วยการทำทานรักษาศีลเพื่อจะได้ตัดความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตัดความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองซึ่งเป็นกิเลสที่ต้องใช้การทำทานการรักษาศีลก็ตัดความอยากที่จะไปทำร้ายผู้ไปเบียดเนียนพูช ถ้าถึงเสียงแตกก็ตัดความอยากที่จะไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคือเบื้องต้นนี้ต้องตัดลาบยศสารเสริญสุขให้ได้ก่อนตัดความอยากในลาบยศสารเสริญสุขให้ได้ก่อนให้มันเบาบางลงไปลดกำลังมันแล้วถึงอยามีมีจะทําให้การไปภาวนาเนี่ยมันง่ายขึ้นมันมี้มันไม่ลาบากมันไม่ยากแต่ถ้ายังตัดของพวกของของสิ่งต่างๆด้วยการทำทางรักษาศีลงไม่ได้อยู่นี้ การไปภาวนานี้จะยากมากการไปรักการไ ป, ปรบำเพ็ญจิตตภาวนานี้ต้องเป็นจิตใจที่ปราศจากความโลภความอยากหรือความโลภความอยากในลาบยศฉละเสริญสุขในรูปเสียงกลิน่นรสนี้มันลดน้อยถอยลงไปมันจะได้ไม่เป็นนิวรมันจะได้มาเป็นตัวอุปสรรคขวางกั้นในการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทาใจให้สงบ <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือวิธีการชำระซักฟอกจิตใจ ที่เป็นเหมือนกับร่างกายเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ในแต่ละวันเราก็รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็จะเปื้อนมันก็จะสกระปกุกพอมันเปื้อนสกปกุกเราก็ไม่ใส่มันอีกแล้วเราก็ต้องเอาไปซัก ก, ก่อนใจก็เหมือนกันใจก็เหมือนเสื้อผ้าที่ต้องมีการซักฟอกอยู่เรื่อยและเครื่องซักฟอกก็คือการภาวนาจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา กับสมัยนี้เรามีเครื่องซักเสื้อผ้าเวลาเราจะซักเสื้อผ้าเราก็เอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปในเครื่องกดปุ่มเครื่องก็จะทํางานเทิ้งไว้สักพักเสื้อผ้าก็จะสะอาดทั้ไน้นถ้าเราเอาใจของเราเข้าไปในเครื่องซักข้อของใจคือไปบําเพ็ญ จ, จิตตภาวนาสมถภาวนามิปัสชนาภาวนาเดี๋ยวใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา พอใจสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆปราศจากกิเลสตัณหาแล้วใจก็มีแต่บร ม, มีสุขปารมังสุขขังใจที่สะอาดนี้นําความสุขมาให้ใจที่ยังไม่สะอาดนี้จะนำความทุกข์มาให้กับใจเราจึงต้องมาคอยซักฟอกใจด้วยการมาบําเพ็ญจิตตภาวนาอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็หนึ่งวันในวันพระเช่นวันนี้นี่คือเรื่องราวของการบําเพ็ญจิตตภาวนาคือการซักพอกจิตใจ ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปณะราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติยวิวาจันโสัพพโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานสีริตสนิจังหุธาปจายิโนจตารูธรรมวาทานติ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 จะมาถามตอนที่เราเลิกแล้วมันจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วย<ม> อ, อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กับเรียนพระอาจารย์ครับวันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติสองร้อยเก้าสิบเก้าท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติสา1ร้อยสี่สิบเอ็ดท่านทาง y o u t u b ร Dr. ว c ช a n นลสี่สิบเจ็ดท่าน วิทยุออนไลน์สิบท่านคลับเฮาส์ห้าท่านผู้รับฟังนาคุติหนึ่งร้อยท่านรวมทั้งหมดแปดร้อยสองท่านครั บ, ก, บกราบนนมศการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมานาคุติถามเข้ามาว่า ทำงานประจำโดยมีรายได้เป็นเดือนเป็นเงินเดือนรายได้หักส่งให้บุพการีและค่าใช้จ่ายจำเป็นและส่วนตัวตามสมควรแล้วที่เหลือมักใช้จ่ายไปกับการทำบุญโดยไม่ได้เก็บเงินเป็นพิเศษนอกจากในกองทุนของบริษัทที่หักรายเดือนการกระทาเช่นนี้ถือเป็นการดาเนินชีวิตใช้จ่ายโดยประมาทหรือไม่คะ ก็ต้องมีไว้สำรองเผื่อวันข้างหน้าเราไม่สามารถที่จะทำงานได้ก็ต้องมีเงินไว้สำหรับใช้จ่ายอันนี้ก็ต้องมีเงินเก็บงั้นเราเบื้องต้นเราต้องคิดถึงเงินเก็บก่อนว่าเราต้องมีไว้เท่าไหร่เราถึงจะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราตกงานในเวลาที่เราแก่เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วส่วนที่เหลือเราก็เอามาทดแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาใช้ใจ่ายสำหรับร่างกายค่าปัจจัยสีค่าอาหารค่าน้าค่าไฟค่าอะไรต่างๆในอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ทำบุญเพราะว่าบุญก็เป็นอาหารของใจเลี้ยงร่างกายแล้วก็ต้องเลี้ยงใจด้วยใจจะมีความสุขมีความอิ่มก็เกิดจากการทาบุญทาทาน ยังก็ต้องแบ่งไว้ประมาณสามสี่ส่วนด้วยกั น, นส่วนแรกก็ต้องแบ่งไว้เก็บไว้เผื่อวันพรุ่งนี้แต่ถ้าเรามีเงินกองทุนหรือมีเงินกเกษียณอยู่แล้วก็ก็ถือว่าเป็นเงินเก็บได้ น, นั้นไปส่วนส่วนที่สองก็คือทดแทนมุลคุณกับบิดามารดาส่วนที่สองที่สิ่งที่ยังเป็นก่อนก็คือร่างกายเราก็ลองมีเงินจ่ายค่าใช้ใจ่ายจะเลี้ยงดูร่างกายส่วนที่สามก็ทดแทนมุลคุณผู้มีพระคุณ ส่วนที่สี่ก็ทำบุญทาทานก็ต้องแบ่งไปตามตามตามกำลังที่เรามีอยู่เช้าค่ะคำถามจากทางยูท b e พระอาจารย์กราบนยินถามครับการพูดเล่นหยอกล้อกันในกลุ่มเพื่อนเป็นการพูดเพสเจอร์ไหมครับคุณล่นก็พูดเพสเจอร์นะนะพูดเจ้าว่าให้พูดเรื่องที่มีสาระประโยชน์ ด, ดีกว่าพูดเรื่องธรรมะดีกว่า พูดเรื่องรักษาศีลพูดเรื่องทำบุญทำทาน<ม>พูดเรื่องปฏิบัติธรรมอย่างนี้จะมีประโยชน์กว่าเจ้าค่ะคุณอนงนาตแจ้งมาว่าลูกอยู่คนเดียวมีความสุขคพระจารย์ก็แสดงว่าใจมีความสุขมีความสงบถ้าใจไม่สงบเราอยู่คนเดียวมันจะเหงามันจะเศร้ามันจะเบื่อแต่ถ้าใจมีความสงบแล้วมันจะไม่มีอาการเหล่านี้ เพราะการเหล่านี้เกิดจากความที่ใจไม่สงบมีความอยากอยากอยู่กับคนนั้นอยากอยู่คนนี้อยากไปนูน่นอยากจะมานี่พอไม่ได้ทำแล้วมันก็จะเกิดความเศร้าขนะึ้นมายังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะความเศร้าใจความไม่สบายใจของเรานี่มันเกิดจากความอยากของเราเองนะมันไม่ได้เกิดจากใครหรอกอออพอเราไปเจออากาศร้อนเราก็เราก็ไม่สบายใจ ไม่ใช่เพราะอากาศร้อนทําให้เราไม่สบายใจตัวที่ไม่ทําให้เราไม่สบายใจก็คือความอยากอยากไม่เจออากาศร้อนอยากให้อากาศร้อนหายไปแต่ถ้าเราทําใจให้นิ่ ง, งเๆเฉยๆไม่มีความอยากเราก็ทนอยู่กับความร้อนได้จากคุณปุ้ยพีหนี่เที่ยวกราบนมัสศานพระอาจารย์ครับถ้าเราสวดมนต์ประมาณสี่สิบนาทีก่อนที่จะเริ่มภาวนา จะสามารถช่วยให้เราเข้าสมาธิได้ดีขึ้นไหมครับถ้าส่วดด้วยการมีสติก็ช่วยได้ถ้าส่วนแล้วใจก็ยังคุงสร้างอยู่ไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่การส่วนนี้ก็เพื่อการให้ให้มีสติเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาที่เราไม่ได้นั่งสวนเวลาเราไปทําอะไรแล้วมักจะปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นนอยู่ตลอดเวลาพอเวลามานั่งความคิดมันก็ยังจะ ไม่หยุดพอจะนั่งก็นั่งไม่ได้เพราะมันยังคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แลเราก็ใช้วิธีสวดมนต์ไปก่อนดึงสติกลับมาให้หยุดความคิดต่างๆพอใจไม่ฟุ้งแล้วทีนี้เราก็มานั่งสมาธิต่อได้เลยคำถามจากคุณอีทโฮจิมินเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะบอกบุญกัลยาณมิตรในการร่วมปล่อยปาน่าเขียง ผู้บวชบุญจะได้อนิสงส์ในการบอกบุญหรือเปล่าเจ้าข่ะถ้าเพียงแต่รับรู้เฉยๆยังไม่ได้บุญนะต้องร่วมบุญด้วยต้องบริจาคเงินไปช่วยในการทําบุญถ้ารับรู้เฉยๆและอนุโมทนาก็ได้เพียงแต่การอนุโมทนาบุญก็คือการให้กําลังใจแก่ผู้ในการทําความดีของเขาเราก็สาธุสาธุแต่เราก็ไม่ได้อะไรมากไปกว่า น, นั้นเราไม่ได้ทําบุญ สจาหาคาถามจากทาง u t u b e ถามเข้ามาว่าเรียนถามพระอาจารย์ทำงานมานานใกล้เกษียณเป็นเสาหลักเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวถ้ายังถูกคาดหวังจากคนในครอบครัวให้ต้องทำงานไปเรื่อยๆอยากพักหรือเกษียณมาภาวนาให้มากขึ้นบ้างกราบขอคำแนะนำครับเราอย่าไปอยู่กับคานว่าการคาดหวังของคนอื่น เราอยู่กับความเหมาะสมของตัวเราเรายังทําได้มีความสุขในการทํราแล้วก็ทําไปถ้าเราทําไม่ไหวทำแล้วทุกข์เราก็ต้องหยุดเอาทุกคนในที่สุดก็ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถต้องพึ่งตนเองเราก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งพอหมดกําลังหมดหมดความสามารถเราก็ต้องหยุดเจาค่ะคำถามจากทางยูทูบ การทำอานาปานาสติดูลมหายใจพุทโธกับนั่งสมาธิแล้วบริกรรมพุทโธเหมือนกันไหมครับเหมือนกันอ้ ย, อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือบางคนยาวพุทโธกับลมปนกันก็ได้แล้วแต่ความถนัดชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะ แต่ทางที่ดีเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าถ้าจะพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปดูลมให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธไปให้ใจแนบติดกับคำว่าพุโทโธอยู่คู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าให้ใจแยกไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้หรือถ้าจะดูลมก็ให้ใจแนบอยู่กับลมอย่างเดียวไม่ต้องไปพุโทโธกับลมด้วยเพราะมันจะทาให้มันยุ่งยากวุ่นวาย เราจะทำให้ใจไม่สงบได้อังพยายามเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าเอาว่าไปยังไม่มีคำถามเข้ามาเะค่ะการภาวนานี่เราต้องการทำใจให้เป็นหนึ่งใจถึงจะนิ่งสงบได้เป็นอารมณ์เดียวรู้สักแต่ว่ารู้อันนี้ใจเรามันมีหลายอารมณ์ด้วยกันมีทั้งรู้มีทั้งคิดมีทั้งเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอารมณ์มีอะไรวุ่นวายไปหมด เราก็ต้องรังรับให้มันมาอยู่กับเรื่องเดียวเพื่อมันจะได้นิ่งได้สงบอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวก็ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวก็ได้แต่อย่าใช้ลมกับพุโทโธควบคู่กันไปมันจะไม่สงบเท่าที่ควรมันอาจจะสงบหายฟุ้งซ่านได้แต่มันอาจจะทำให้ใจรวมเป็นหนึ่งไม่ได้เจ้าค่ะจากทางเฟซบ o ๊กถามเข้ามาว่า กราบหลวงพ่อครับเราทะเลาะกับผู้สูงวัยแล้วทําให้เขาคิดมากจะเป็นไรไหมครับเขาคิดมากก็เป็นเลยเอย่าไปอย่าไปทะเลาะกับใครจะดีกว่ายอมหยุดเย็นใครเขาจะมีความเห็นยังไงเขาจะพูดยังไงเขาจะทําไงก็ปล่อยก็พูดไปทําไปเราอย่าไปยุ่งกับเขาตัวใครตัวมันดีชั่วอยู่ที่ที่ตัวของเขาเองเขาทําดีเขาก็ได้ดีเขาทําชั่วเขาก็ได้ชั่ว ไม่ต้อมีความจาเป็นจะต้องไปทะเลาะกับใครเจ้าค่ะจากคุณอีโทโฮจิมินกราบเป็นถามค่ะนั่งสมาธิจิตไม่เคยสงบเลยค่ะพยายามยังไงก็ไม่สงบต้องทําอย่างไรเจ้าค่ ะ, าะนั่งแบบไม่มีสติฮะต้องมีสติต้องนั่งแบบมีพุทธโธพุทธโธไปอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือดูลมอย่างเดียววิธีที่จะทให้เรามีสติเราก็ต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่ง ไม่ใช่มาทำตอนที่เรานั่งทาตอนที่เรานั่งมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่พอสติไม่พอต้องทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเดินเข้าห้องน้ำนั่งหน้าแปรงฟันทาอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวทาอะไรก็พุโทโธไปถ้าอย่างนี้เวลามานั่งมันจะสงบเพราะมันมันมันหยุดคิดตั้งแต่ก่อนที่เราจะม า, มานั่งแล้ว แต่ถ้าเราคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงคนนั้นคิดถึงวันนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้แล้วพอมานั่งมันก็จะไม่เลิกคิดมันย็จะไม่หยุดคิดมันก็จะคิดต่อไปเนเราต้องหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิถึงจะนั่งได้ผลดีนั่งห้านาทีจิตก็รวมจิตก็สงบได้เจ้าค่ะคุณปริตภาพาถามเข้ามาว่าถ้าเราอยากทำบุญอยากช่วยเหลือสัตว์หมาแมวแบบนี้ถือเป็นกิเลสไหมคะ ไม่เราเป็นความเมตตาแต่ถ้าเราทุกข์ก็เป็นกิเลสได้คืออยากอยากทำแต่เราไม่มีความสามารถจะทำแล้วเราไปทุกข์อย่างนี้ก็ก็เป็นกิเลสถ้าเราอยากทำแล้วเราทำไม่ได้เราก็ต้องหยุดเราต้องยอมรับความจริงว่าบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะทำตามความอยากเราได้ถึงแม้ความอยากนั้นจะเป็นความอยากที่ดีอยากจะทำบุญนี่มันความอยากที่ดีแต่ถ้าทำไม่ได้อย่าไปทุกข์กับมันอต้องมองความเป็นจริง เห็นเขาท่าทกระถินเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นย้าภาพกับวขา้างแต่ไม่มีสตยตังนี้ก็ไปทุก์อยากจะเป็นเจ้าภาพอย่างนี้ก็มันก็อยากไปอยาก<ม>เพราะมันกเกินความสามารถของเราทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้<ม>สิ่งที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องหยุดแล้วเราจะไม่ทุกข์เช้าค่ะคุณหนึ่งนฤไทถามเข้ามาว่าขอเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ การเจริญสติในชีวิตประจําวันต้องพยายามไม่คิดถูกไหมเจ้าคะถูกต้องให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรก็ได้กําลังกินอาหารก็ให้รู้อยู่กับการกินอาหารอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาเดินก็ให้รู้ว่าเรากําลังเดินเวลาเราทําอะไรก็ให้อยู่กับการกระทําของร่างกายในทุกิริยาบทอย่าให้ไปคิดถ้าจะคิดเรื่องจําเป็นก็คิดได้แต่ถ้าไม่คิดได้จะดีกว่า การเจริญสติแบบไม่คิดได้นี้ต้องทําในวันที่เราไม่ทํางานแล้วเราไม่ไม่เกี่ยวข้องกับใครเราไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวตามสถานที่ปฏิบัติธรรมถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะเจริญสติแบบไม่คิดได้แต่ถ้าเรายังต้องทางานอยู่เราอาจจะเจริญสติอยู่กับงานของเราแต่เราก็ต้องคิดถึงเรื่องงานที่เราทําอยู่มันก็ได้ครึ่งเดียวได้อยู่กับงานใจไม่ลอยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็ยังต้องคิดอยู่กับเรื่องงานอยู่ใจก็ยังสงบไม่ได้ เพาเรื่องงานถ้าคิดไปึิดมาก็อาจจะเกิดความเครียดขึ้นมาก็ได้เจ้าค่ะคุณสุรชัดคุณสุรชยาสุชัดชยาการที่เพื่อนมาชวนทำบุญบ่อยๆจนเรารู้สึกว่ามากไปคนที่ชวนจะได้บุญเท่าเท่ากับผู้ทำใหม่คะไม่ได้หรอคนชวนไม่ได้อะไรคนทำถึงจะได้ คนทําก็คนชวนก็เป็นเพียงแต่เป็นคนบอกบุญว่าอันนี้มีบุญอย่างนั้นมีบุญอย่างนี้นะถ้าทําได้ก็ทําไปการบอกบุญก็อย่าไปบังคับเขาบอกในลักษณะว่าพี่ทําได้ก็ทํานะไม่ทําก็ไม่เป็นไรเพียงแต่มาบอกข่าวให้ทราบเท่านั้นเองไม่ได้มบาบังคับบุญบอกบุญไม่ใช่บังคับบุญบางคนเอาซองมาวางไว้เลยเนี่ยอย่างนี้เรียกวบังคับบุญไม่ได้บอกบุญ คุณจินตลาถามเข้ามาว่ากล่าวนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกนั่งสมาธิพร้อมบริกรรพุทโธพุทโธแล้วนิ่งสงบเปลี่ยนอัตโนมัติดูลมหายใจอนาปนาสติแล้วลมมันหมดไปมีว่างเปล่าอย่างเดียวอยู่พักใหญ่ๆเพินแล้วจะปฏิบัติต่ออย่างไรคะก็ทำต่อไปทำให้มันว่างๆ ว, ว่างไปนานๆว่างบ่อยๆแล้วใจเราจะมีความสุขแล้วกิเลสตัณหามันจะลดน้อยลง ความอยากไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยอยากจะไปดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆมันจะลดน้อยถอยลงไปทำให้เราอยู่บ้านได้อยู่กับที่ได้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเมื่อเราไม่ใช้เงินเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่หาเงินมากก็จะมีเวลาปฏิบัติได้มากขึ้นอีกต่อไปเราก็จะสามารถที่จะปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เจ้าค่ะจากทางย t u b e ถามเข้ามาว่าเรียนถามการทำสมาธิระหว่างฟังธรรมควรจะภาวนาหรือฝึกสติอย่างไรเหมาะสมครับ เ, เวลาฟังธรรมนี้ไม่ต้องพุทธโชไม่ต้องดูลมหายใจ ข, ข้อให้ใจอยู่กับเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวเสียงที่เข้ามาในหูแล้วก็ฟังไปถ้าคิดตามได้ก็เกิดปัญญาถ้าคิดตามไม่ได้ก็จะได้สมาธิได้ความสงบ เจ้าค่ะคุณมารถามเข้ามาว่ากราบหลวงพ่อครับการที่เราไหว้เจ้าถึงบรรพบุรุษนับเป็นมิจฉาทิจฉ์ไหมครับมีแนวทางทดแทนที่ถูกหลักไหมครับเพื่อรดึกถึงบรรพบรุษคือการไหว้บรรพบุรุษนี่มันเป็นการแสดงความกาตัญญูทําได้อยู่ว่าเราทาเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลาน <c oughs> แต่การจะไหว้บรรพบุรุษที่ได้ได้บุญได้ประโยชน์ก็ต้องไหว้บ่ายตอนที่เขายังไม่ตายเจอพ่อแม่ก็ไหว้กราบไหว้มีข้าวมีของอะไรก็เอามาให้ไม่ใช่ไปกราบไหว้ที่หลงหลุมศพแล้วก็เอาข้าวของไปตั้งไว้ที่หลุมศพอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งผู้ให้และผู้รับผู้รับก็ไม่ได้รับผู้ให้ก็ไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญได้กุศลก็ต้องทําตอนที่พ่อแม่อยู่ผู้มีพระคุณยังมีชีวิตอยู่ คิดถึงท่านก็หาซื้อข้าวซื้อของไปเยี่ยมท่านไปกราบท่านไปไหว้ท่านแสดงความเคารพแสดงความกตัญญูอย่างนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแต่การที่จะไปไหว้ที่หลุมฝังศพนี้ไหว้ที่คนตายไปแล้วนี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเจ้าค่ะจาก youtube เจ้าค่ะสอบถามเจ้าค่ะลูก ป, ปัญญาน้อยขอความเมตตาจากพระอาจาร เวลานั่งสมาธิจิตไม่สงบเลยลูกท่องคําว่าพุทโธนึกไปเรื่อยๆเหมือนคําว่าพุทโธแยกอยู่ที่สมองแต่จิตไปที่อื่นค่ะก็เพราะเราไม่ฝึกไม่ฝึกพุทโธก่อนมานั่งต้องฝึกพุทโธก่อนมานั่งฝ <c oughs> ึกระหว่างวันทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทํา ง, งานก็พุทโธไปเดินก็พุทโธไปกินอาหารก็พุทโธไปอย่าให้ใจลอยไปลอยมา ถ้าเรามีพุโทโธอย่างนี้เวลานั่งใจมันก็จะเนื่องจใจก็จะสงบได้เ <c oughs> จ้าค่ะจากคุณโจอุไทยกราบนมัสการพระอาจารย์การนําของที่ผู้อื่นที่นํามาให้เรานําไปให้ผู้อื่นเนื่องจากอาจจะไม่ได้ใช้และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นที่เราให้ไปจะเป็นการทําบุญหรือไม่ครับ การให้เนี่ยเราเป็นทานแปลว่าการให้ให้แล้วก็จะได้บุญคือผลผลชื่อคือบุญคือความสุขใจไม่ ว, ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญให้กับพระก็เป็นบุญให้กับผู้ไม่เป็นพระก็เป็นบุญเจ้าค่ะจากคุณทีคัทนาคําถามเจ้าค่ะความคิดที่ตื่นด้วยสติจริงๆสะสมได้มากเพียงพอร่วมกับสมาธิ ร่วมกับพิจารณาปัญญาร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อไปก็จะสามารถดับกิเลสคือความทุกข์ใจได้ตามลำดับเป็นขัข้นๆไปใช่ไหมเจ้าคะถ้าถ้าเห็นอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาก็จะหยุดความอยากได้ <c oughs> ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าคะ่ะมีใครอยากจะถามไหม พออาจารย์จะเล่าก็นะถ้าใครอยากจะถามก็เข้ามาถามเส้นตอนนี้หากคุณหญิงเข้ามาเป็นนาขอจารย์เข้ามาถามได้ส่งไมโครโฟนมากล่าบนมัสการพระอาจารย์จริงๆชาวพุทธนะคะในเรื่องห่วงจุ้ยต่างๆอะค่ะที่ว่าเออจัดห่วงจุ้ยยังไงจะทำให้ร่ำให้รวย แล้วกเ็เปลี่ยนชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มงคลเลขมังกรเจ็ดแปดเก้าเบอร์หนึ่งเป็นแสนแสนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อย่าง่าางวงจุ้ยทีบางทีสินแซมมาดูทีหนึ่งบางทีมาให้ทุกนูน่นทุกนี่เป็นล้านๆค่ะ <c oughs> <c oughs> พระอาจารย์จริงๆชาวชาวพุทธเราเนี่ยถ้าเกิดเราเชื่อในผลของกรรมอ่ะตรงนี้ไม่มีผลใช่ไหมเจ้าคะ่ะถ้ามันไม่ดีจริงเราทากรรมดี มันก็มันก็ต้องดีใช่ไหมเจ้าค่ะเออเรื่องของกรรมที่มันเรื่องของจิตใจพอจิตใจเราจะดีมีความสุขมากขึ้นจะสูงขึ้นจากมนุษย์เราก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระระยะบุคคลแต่เรื่องของบุญของบาปนี้ไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นหรือจนลงอะไรย่างนัมันเรื่องของการทำมาหากินขยันก็มักจะรวยขี้เกียจก็มักจะจนต้ารู้จักหางเงินหาทองด้วยสติด้วยปัญญาอ แล้วก็อยู่ที่จังหวะด้วยบางทีเราหากินถ้าเป็นถ้าตายมีสตมิมีปัญญาแต่ไม่รวยสักทีเพราะมันไม่ถูกจังหวะบางคนเขาทําปุ๊บทําปับ๊บเขาก็รวยขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของกฎตายรักของอนนี้จังไม่แน่นอนเราไปควบคุมบางครั้งไม่ได้เราทําได้ก็ในส่วนของเราทําให้ดีที่สุดทําด้วยความรู้ความเฉลาทําด้วยความขยันหมั่นเพียร ส่ว จ, จะได้มากได้น้อนนี้มันมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่อยู่เหนือความสามารถของเราที่จะไปบังคับได้ไมันจะอยู่ขึ้นอย่การเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนานามเราคนชื่อบุญติดคุกทั้งเยอะแยะทำไมอ่ามันไม่ได้อยู่ที่ชื่ออมันไม่ได้ที่ฮองจุ้ยฮวงทินฟ้าอากาศเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้นครับเป็นพลังความเชื่อ แต่เราไม่เราก็ไม่ไปปฏิเสธนะเขานะเขาเชื่อก็อยากจะทำต่างก็ทำไปถ้าเขาสบายใจถ้ารวยกันจริงๆมันต้องคนที่ไปทำอย่างนี้ต้องรวยกันทุกคนนะฮะไม่รวยกันทุกคนหรอกเจ้าค่ะพระอาจารย์คะอีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะแต่ก่อนเวลาที่โยมเผชิญความเจ็บปวดอย่างเช่นว่าเวลาไปโรงพยาบาลเจาะเลือดบ้างหรือว่าทาฟันทีเวลากอฟันหรือว่าเวลาที่ลงเข็มฉีดยา ยมจะหนีเข้าสมาธิเป็นพุโทโธพุธโทโธแต่ตอนหลังพระอาจารย์แบอบกว่าไม่ให้ลบในสมาธิก็ยมก็ยอมรับพอเป็นจริงแล้วค่ะแต่ว่าก็ที่เพิ่งผ่านมาไปหามหมอมาค่ะตอนแต่ใจมันก็เริ่มวิวอยู่นะคะถ้าไม่เข้าพุโทโธอ่ะยมมาวเอ๊ยอมจะแบบทําใจได้จริงหรือเปล่าก็โอเคแต่ว่าพอตอนอ่ะโอเคก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เข้าสมาธิแล้วกันยมก็มองเข็มมาที่กําลัง จะแทงลงไปเวลาเก็บเลือดนะคะแล้วยมก็ไม่ยมรู้สึกว่าไม่พูดโธแต่ว่ายมคิดไปเลยว่าโอเคตายก็ตายตายก็ตายสักวันเราก็ตายอยู่ดีตายก็ตายพออย่างนี้มันก็มันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะพระอาจารย์ได้ยมรับความจริงยิง่งมากก็แค่ตายแค่เจ็บได้เองเจ้าค่ะถ้าเราไม่กลัวมันแล้วเราก็ไม่ทุกข์กับมันเจ้าค่ะแล้วเวลาจิตสุดท้ายพระอาจารย์สมมุติว่าเราแบบก็แบบเดียวกันก็ดูดลมไป มันหมดลมหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเหมือนั้นาาตายก็ตายเจ้าค่ะอหายใจไม่ได้ก็ต้องตายเจ้าค่ะอแล้วห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เมื่อมันไม่มีกําลังที่จะหายใจมันก็หยุดหายใจแต่เราไม่ต้องไปตกใจเราเป็นผู้รู้เราก็รู้ไปเฉยๆทําหน้าที่ของผู้รู้ไปเจ้าค่ะไม่อยากไปอยากอย่าให้ไปอยากให้มันไม่ตายเียมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีมันจะกลัวขึ้นมาทันทีเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะ ม, มีคําถามจากาจากทาง YouTube ยูทูบเจ้าค่ะกล่าวพระอาจารย์ครับขณะที่เรามีความทุกข์มากกังวลมากถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตควรปฏิบัติอย่างไรดีครับควรทําใจให้สงบก่อนให้มีอุเบกขาก่อน <c oughs> แล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนอะไรจะเกิดก็ได้ ใจเราต้องพร้อมที่จะรับกับทุกทุกสภาพที่เกิดขึ้นถ้าเรามีอุเบกขามีสมาธิใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะเฉยๆได้แต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิใจเราก็จะอยากอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยถ้าพอไม่เป็นตามที่เราอยากก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความกลัวขึ้นมางั้นเบื้องต้นต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้ใจสงบ <c oughs> ให้ใจมีอุเบกขาก่อนเมื่อมีอุเบกขาล้วก็สอนใจความจริงว่า เราอยู่ในเรื่องของการเกิดการดับเป็นธรรมดา <c oughs> มีเกิดแล้วก็ต้องดับไปไม่มีอะไรยกเว้นอยอมรับมันให้ได้พอรับมันได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์เ <c> จ <oughs> ้าค่ะจากคุณอีทโฮจิมินกราบเรียนถามเจ้าค่ะใส่บาตรแล้วพระท่านมีได้นําอาหารของเราไปฉันยมจะได้อานิสงส์สมบูรณ์แบบในทานนั่นหรือเปล่าเจ้าค่ะได้ การให้นี้สําเร็จประโยชน์แล้วถ้าเราไม่ไปไปยึดไปติดยังไม่ถือว่าเป็นของเราอยู่ถ้าเป็นของเราก็ไปเฝ้าดูว่าเขาจิงอย่างนี้จะไม่ได้บุญเพราะยังถือว่าเป็นของเราอยู่พอเขาไม่กินก็โกรธเขาอย่างนั้นาที่จะได้ความสุขกับเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกานให้แล้วต้องตัดใจไปว่าไม่ใช่เป็นของเราแล้วของของผู้รับแล้วผู้รับเขาจะไปกินเขาจะไปให้หมากินกอให้ใครกินก็เรื่องของเขาไปไม่ใช่ของเราแล้ว านี้เราก็จะได้บุญเาค่ะจากคุณชนะนินเดชธนาชัยสงบนิ่งแล้ววอกแวกรู้ตามไว้ให้ทําต่อใช่ไหมครับห้ามขยับให้อยู่ที่ลมหายใจและพุโทโธพุโทโธใช่ไหมครับถ้ามันสงบจริงมันไม่อยากจะทําอะไรมันอยากจะอยู่กับความสงบนั้นเพราะความสงบนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งมันจะไม่อยากจะออกจากความสุขแบบนี้ไปถ้ายัางอยากจะไปนู่นมานี่อยู่สแสดงว่ายังไม่สงบ